นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมอาตมาพระไพบุญอภิปุโนทุกสัปดาห์ก็จะมาพร้อมกับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกราบน้ำมศการและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมทันตแพทย์ณัฐพงศ์กระดกวิรุณจากกรุงเทพครับนี่เป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่นะคุณหมอสีามครับสีเหรอครับโอ้โหสี่สิบสามแล้วครับเออก็เลยจะต้องพูดกับท่านผู้ฟังนิดนึง เนื่องในโอกาสที่เป็นเอพิโซดที่สิบสามคือว่าในเอพิโซดตอนก่อนๆอย่างสี่สิบสองสี่สบเอดสี่สิบะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีอาตมามาพิจารณาดูนะเพราะว่าบางทีเราก็พูดแบบพูดรุนแรงกันนะคือแบบว่าค่อนข้างอินเทนส์นะหมอและท่านผองเพราะฉะนั้นอาตมาเนี่ต้องขอยกย่องหมอแระท่างมากเลยคือถ้าเราเราก็จะไม่กล้าพูดกับคนอื่นนะคือคือถ้าไม่ใช่หมอแระท่าองอาตมาจะไม่กล้าพูดเพราะกลัวไปกระเทือนใจเขา อาดามาก็จึงต้องขอยอกย่องคุณหมอรัตพงศ์นะที่นี้ว่าโอ้เป็นคนที่อดทนดีมากยังสามารถที่จ ะ, ะทำใจให้สบายใจอยู่ได้เงี้ยนออแะแล้วแล้วก็คือไม่รู้จะชมใครก็ชมกันเองเอาไว้กันเถอะมันอย่างอาดมากับหลวงพ่ออย่ไงนะเวลาคุยกันหนึ่งคุยธรรมะบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะยกย่องใครก็ยกย่องกันเองก็แล้วกันอก็ส่วนส่วนตัวต้องขอเปิดใจว่า ร, รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็เป็นบุญครับท่านการมาจัดรายการเนี่ยเท่ากับว่า<ม>ได้ฟังธรรมะแบบเข้มข้นด้วยแบบยังยังรู้สึกยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยยิ่งเจอแบบเข้มข้นที่ท่านเรียนให้ทราบเนี่ยครับแบบอินเทนเนี่ยโอ้โวรู้สึกว่าบางทีเหมือนเคาะกะโหลกตัวเองอะฮะ <c oughs> โป๊กโดนโป้งอีกแล้วโป้งอ <c oughs> ีกแล้วเออนั่นแหละสินั่นแหละนั่นแหละก็เลยก็เลยต้องท่านผู้ฟังเหมือนกัน แล้ถ้าเผื่อว่าอาจมาพูดอะไรไปแล้วก็ทําให้กระเทือนใจนี่นะก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเราบางทีก็ไม่รู้การันที่จะพูดนะเราก็ไม่ใช่พระพ เ, เจ้าเดี<ม>๋ยวบางเรื่องเราก็ไม่รู้บางเรื่องเราพูดไปกระเทือนใจคนอื่นถ้าให้เกิดคนอื่นก็มีจิตกัดเคลืองเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องคงจะต้องขออภัยด้วยแล้วก็ถ้าทนได้ก็ฟังกันต่อไปก็แล้วกันเนาะแต่ว่านทุกคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าเจตนาเนี่ยคือเจตนาดีที่จะ าะกิเลสนะครับหมายถึงว่าให้กิเลสมันแตกออกมากเราจะได้เห็นกันชัดๆจระจระ่ครับครั บ, รบแล้วก็ถ้ามีคำถามใดๆก็ถามมาได้แล้วกันยังก็วันนี้มีจะตอบคาถามสักสองคำถามของอคุณทิพย์แล้วก็คุณมดครับคือมีคำถามจากคุณที่ใช้นามว่า MD มดีนะครับเรื่องคือท่านผู้นี้ก็ได้ศึกษาพุทธวจนะมาแล้วก็ปฏิบัติมาทีนี้ นณตอนนี้คือเจอเหตุการณ์เรื่องของน้ําท่วมนะครับคือน้ําท่วมบ้านแล้วก็คือท่านก็บอกว่าถ้าเป็นในเมื่อก่อนเนี่ยที่ยังไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็คงจะเป็นทุกข์แล้วก็ร้องให้ฟูมไยนะครับอนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยได้ศึกษาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับสามารถปรับปรับใจได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เลยก็เลยอยากจะขอความเห็นจากพระอาจารย์ว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้เราประยุกต์ใช้กับ กับทุกที่เราเจอเผชิญเนี่ยได้อย่างไรนะครับ mm. เจอน้าท่วมด้านหน้า mm. ก็ป้องกันด้านหน้าป้องกันด้านหลังแต่ปรากฏว่ามันก็ทะลุมาด้านข้างอะไรอย่างนี้ครับ mm. ก็เหมือนกับ ม, มันเป็นความไม่แน่นอนแล้วมันก็มันจะต้องเจอทุกแล้วก็ท่านผู้ถามเนี่ยก็มีสติแล้วก็ได้เห็นตามที่เป็นจริง ความทุกข์ความวิตกกังวลก็เหมือนกับว่าลดลงนะครับคืออนนี้เขียนมาเล่าให้ฟังใช่ไหมเขียนมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับครับที่ว่าตัวเองได้เคยปฏิบัตริรู้ทำคาสัองพระเจ้าที่เป็นแก่นแท้คือเรื่องของบุบติปัจนาครับอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่ดีคือหลายๆท่านผู้ปฏิบัติเนี่ยจะค่อยๆทราบตัวเองเนาะว่าจากประสบการณ์ที่ตัวเองได้เคยปฏิบัติคเคยเจอความทุกข์แรงต่างมันก็มันลดน้อยลงไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เนี่ยแทนที่เราจะต้องฟูลไฟล โอโ้เป็นผู้ร่ําให้คร่ําครวนทุบปกชกตัวถึงความมีสติคลั่งเพอ้ออย่างเงี้ยนะรเราก็รู้สึกกระเทือนกระเทือนบ้างแต่ไม่เสียใจขนาดนั้นครับอย่างเคยคุณคุณเอดีเนี่ยเล่าถึงตอนที่ตัวเองบ้านน้าท่วมใช่ไหมของกั้นข้างหน้าอย่างดีข้างหลังอย่างดีลหลายๆบ้านเขาทําอย่างนั้นนะแต่<ช>ปรากฏว่าของเพื่อนบ้านนี่มันกันไม่ดีพอของเพื่อนบ้านมันกันไม่ดีของมันแตกของเขาทลายเข้ามาอย่างเงี้ยเืนของเขาทลายเข้ามาเอา้ามันจะมาเข้ามาหาในบ้านเรา ซึ่งเข้ามาดันด้านข้างซึ่งด้านข้างเราไม่ได้กั้นหรือกั้นแล้วแต่มันดันซึมพื้นเข้ามาเนาะซึ่งตรงนี้มันมีประเด็นตรงนี้ไงหมอรัตพงศ์เรื่องของการกั้นน้ําเนี่ยมันจะมีประเด็นที่อาตมาจะต้องการนําเสนออยู่ก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเปรียบเทียมไว้ฟังครับสมมุติว่าตอนที่เราอยู่อยุธยาเนีเราเราอยู่อยุธยาแหละตอนนี้แล้วก็ช่วงเดือนมีนาเราฟังข่าวของสึนามิและฟังข่าวสึนามิเราก็พบว่า โอ้ยน่ากลัวมากเลยนะทั้งอะไรต่างๆอุย้ยรู้สึกสงสัยเขาจับใจนะเราก็มีความกังวลขึ้นมานิดหนึ่งโอ้ยบ้านเมืองโลกนี่มันอะไรกันนักกันไม่รู้เนะเาะอมีความเปลีปลปลปลป่ยนแปลงในสิ่ัแวดล้อมธรรมชาติครับแล้วเราก็ได้ยินข่าวทางภาคภาคใต้ภาคเหนือคือเชียงใหม่น้ําท่วมอา่าท่วมถึงโห้ยเมตรกว่านู่นเลยถึงอกถึงค อ, อนู่นโอ้เราก็กังวลขึ้นมาอีนิดหนึ่งนะจนกระทั่งอทาง ตอนตอนเหนือทั้งเชียงใหม่เนี่ยมันเริ่มท่วมขึ้นมาละมีประกาศเตือนอ้าวตายละมันจะมาถึงตัวเราแล้วเราก็เลยเลื่อนมาย้ายมาอยู่ปทุมธานีตอนที่เรามาอยู่ปทุมธานีเนี่ยได้ยินข่าวว่าอยุธยาเนี่ยท่วมถึงสองเมตรเนี่ยโอ้โหท่วมถึงสองเมตรไอ้ความกังวลที่อยู่ในจิตของเราตอนที่เรามาอยู่ปทุมธานีเนี่ยมันจะมากกว่าตอนที่เราอยู่อยุธยาใช่ไหมทีนี้เราย้ายมาจากอยุธยาเนี่ยมาอยู่ปทุมธานีละ ได้ข่าวอายุทยาเนี่ยท่วมถึงหัวนูนเลยมิดหัวขึ้นไปเลยสองเมตรเนี่ยก็เกิดความกังวลแล้วทำยังไงดีเขาบอกน้ําจะมาถึงปทุมธา น, นีเอางั้นเราย้ายมาอยู่กรุงเทพแต่เราย้ายมาอยู่ในกรุงเทพชั้นในย้ายมาอยู่กรุงเทพชั้นในเสร็จแล้วก็ได้ข่าวว่าโอ้โหปฐุมธา น, นีท่วมถึงเอวนั้นาน้ําขึ้นภายใน20นาทีหรือว่าไปครึ่งชั่วโมงโอ้ยเรายิ่งมีความกังวลมากขึ้นในทางที่เราตัวยังไม่เปียกเลยนะมาอยู่ในกรุงเทพชั้นในแล้วตั้งแต่ย้ายมาจาก อยุธยาย้ายลงมาถึงปทุมธานีานย้ายลงมาถึงกรุงเทพชั้นในเนี่ยตัวคุณยังไม่เปลียกแต่น้ํามันไล่เข้ามาไล่เข้ามา <grounded. S 1> แ ต, ต่ตอนที่อยู่อยุธยาเนี่ยได้ยินข่าวญี่ปุ่ น, นเขาน้ำท่วมเนี่ยภาคเหนือน้ําท่วมเนี่ยเราไม่กระเทือนเท่าไหร่แนละ้วเรา<ๆ>เรามาดูถ้าเราย้ายมาอยู่เ <ME increase S 1> มื <ingle> ม่อเราย้ายมาอยู่ปทุมธานีแล้วเรากระเทือนมากขึ้นทั้งทั้งที่ตัวยังไม่เปลียกนะแล้วก็เราย้ายมาอยู่ในกรุงเทพชั้นในเนี่ยได้ยินข่าวทุกวันเลยเปิดท่อดูเปิดท่อดูดอดว่าน้ําเมื่อไหร <hybrid> มันจะขึ้นมา ตีหนึ่งนอนไปเดี๋ยวตีหนึ่งคึ่งก็ตื่นมาอีกดูว่าน้ำมันจะขึ้นหรือยังครนะมันมีความกัวงวลอยู่ตลอดเวลาแต่น้ำ<ช>ตัวเรายังไม่เปลี่ยกเลยนะตัวเรายังไม่เปลี่ยกเลยนะแค่ย้ายของมาเรื่ อ, อยๆอพยพมาเรื่อยๆนั้นตรงนี้ผู้รู้จักเปรียบเหมือนกับะมะาอาชาในสีประเภทที่เราเคยพูดกันบ่อยๆใช่ครับใช่ไหมถามว่าคุณจะวางได้ตอนไหนอืมตอนไหนดีครับถ้า ค, คุณจะวางได้ตั้งแต่ตอนที่เราอยู่อยุธยานะเราก็เห็นได้ยินข่าวสึนามิที่ญี่ปุ่นแล้วเราจะสบายใจตั้งแต่ตอนนั้น เราไม่ต้องแบกความทุกข์มาจนถึงปฐุมธานีไม่ต้องแบกความกังวลมาถึงกรุงเทพชั้นไหนแล้วก็ยังกังวลอยู่ว่ามันจะท่วมหรือเปล่าตั้ง น, นี่ยังไม่ท่วมด้วยซ้ําใช่ครับน ะ, ะกลัวน้ําตั้งแต่ตอนที่ยังน้ํายังมันไม่ถึงด้วยซ้ำไอคนอื่นนี่ย อ, อย่างสิงห์บุรีเขาอยู่ในน้ํามันต้องเป็นสองเดือนแล้วตรงนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรนอย่างเวลาเราทําคันกั้นน้านี่ขอขอนุญาตพูดน็อกเลื่องนิดนึงได้ครับ <laughs> คืออย่างสมมติคันกั้นน้าข้างนอกมันท่วมแล้วเนี่ยเรายังมีเวลา ก่อนที่น้ำมันจะทะลักเข้ามาเนี่ยเราทำการกั้นน้ำอีกชั้นหนึ่งตรงหน้าบานตรงทางเข้าบ้านบดีก่อนที่จะเข้าไปในตัวตัวอาคารนะทําอีกชั้นหนึ่งเรายังกันได้อีกการตรงนั้นได้เรายังกันเข้ามาข้างในอีกได้อย่างเงี้ยนะการตรงที่รั่วการรั่วแล้วกันเข้ามาข้างในอีกได้คือเราพยายามหาทางออกทางแก้อยู่ตลอดเวลาใช่ครับอย่างเวลาที่เราเราจะน้ําท่วมแล้วอย่างเงี้ยน้ําท่วมแล้วอย่างเงี้ยเรามาดูว่าอุ้ยน้ําท่วมถึงชั้นแล้ว นะความกังวลตรงนั้นมันจะยิ่งมากขึ้นไปอีกแล้วปรากฏว่าเรามีเครื่องมือที่วัดดูว่าเอา้าน้ํานี่มันมีไฟฟ้าด้วยนี่มีไฟ<ม>ฟ้ารั่วอยู่ในน้าเนี่ยเราจะยิ่งเคขยับขึ้นมาใช่ไหมไม่ให้ใน้ําเนี่ยมันมาโดนแม้กระทั่งปลายก้อยนิ้วเท้าเรา<ม>นะจนกระทั่งเราไม่มีที่จะไปไหนแล้วอะ่ะเราก็เหลือที่ยืนนิดเดียวอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะทำจิตยังไงเราก็ต้องอปล่อยวางแล้วกันจะเป็นยังไงก็จะเป็นนะจิตแบบนี้แหละจิตแบบนี้แหละที่เราเคยยกตัวยอย่างเมื่อตอนที่แล้วอนะใช่ครับ ว่าถึงเวลาที่คุณหนีไปไหนไม่ได้แล้วน้ําก็มีแต่ไฟฟ้าเต็มไปหมดขึ้นไปจนถึงชั้นสองแล้วนะน้ําก็มีไฟฟ้าอยู่ในน้ําไปไหนก็ไปไม่ได้ที่ยิงก็เหลืออยู่นิดเดียวนะจิตอย่างนี้แหละถ้าคุณปล่อยวางได้ตรงนั้นน ะ, ะโอ้ยคุณไปทําตั้งแต่ตอนอยู่อยุทยาจะสบายใจมากที่สุดทําไปทําตั้งแต่ตอนที่เราอยู่อยุธยาได้ยินข่าวสินามิ<ล>เราจะมีความปล่อยวางจะมีความสบายใจแล้วคุณจะย้ายไปไหนก็ไม่มีปัญหาละ ใช่ครับอตรงนี้คือเรียกว่าเราเปลี่ยนจากมาอาชไนประเภทที่สุดท้ายประเภทที่สี่เนี่ยให้เราเป็นมาอาชไนเปประเภทที่หนึ่งซะที่หนึ่งครับผมเราเราจะมีความสบายใจซึ่งเหมือนกันมันเป็นกลยุทธ์ในการที่เราจะจะแก้แก้ปัญหาที่เราเจอครับอย่างนี้เนาะแล้วก็เรื่องนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนถ้าเราเห็นทุกอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้อย่างคุณทิพยเพียมใจที่เขียนมาเล่าให้ฟังเราว่าเคยประสบ เขาเรียกว่าความทุกข์ส่วนตัวทางโลก ค, นะคือเรื่องของสูญเสียบุตรละหวงตั้งคันแล้วก็พอร้องไห้จนกรทั้งไม่มีน้ำตาแล้วนะเราก็เลยทำให้พอเจอเรื่องอื่นๆปล่อยวางได้เนี่ยพอเจอเรื่องอื่นแล้วก็เลยมาทำให้จิตเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะอันนี้เราก็ดีมากเป็นเป็นสิ่งที่เขียนมาเล่าประสบการณ์ให้ตัวเองให้ท่านผู้ฟังอื่นๆได้ฟังด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ ที่มากแบ่งปันกันอ่าเราก็มีมีเรื่องของผู้เล็กเล้นท่านหนึ่งที่มาเล็กเล้นที่วัดป่าดอานใหญ่โศกในช่วงนั้นเป็นประมาณต้นเดือนกุมภาพัตุลาคมที่น้ําน้ำท่วมแล้วนะ<อ>เขาก็มาจากต่างประเทศจะเป็นคนไทยอ่าก็ฝากโทรศัพท์อะไรต่างๆนานารียบร้รยหมดทุกอย่างนั่งสมาธิมาอย่างดีและฟังธรรมะไปจนถึงวันที่หทางบ้านเขาโทรมาบอกว่าน้ําท่วมบ้านแล้วนะถึงเอวนู่นต้องเก็บข้าวของออกจากบ้านจะไปอยู่โรงแรมกันแล้ว นะโทรมาเพื่อที่จะให้กลับบ้านไปเก็บของเพราอย่างนั้นโทรมาหาเจ้าหน้าที่ที่วัดเจ้าหน้าที่ที่วัดก็เลยมาปรึกษากันเราก็เลยแจ้งให้คุณผู้หลิกเล่นผู้นี้ทราบเนะพอเราแจ้งให้เขาทราบเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการกลับกลับบ้านเพื่อไปเก็บเก้าเก็บของเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศด้วยไม่รู้พาสปอร์ตอะไรเอกสารสําคัญอะไรต่างๆทางบ้านเขาเก็บให้เรียบร้อยไหมแต่ว่าตอนก่อนออกมาก็รู้แล้วมันจะท่วมก็เลยสั่งเขาไว้แล้วแต่ว่ามันเป็นกังวลจะขอกลับวันนี้แหะ ไว้เงินนี้มาที่ห้าแล้วใช่ไหมอาตมากุณหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอางั้นท้อจะกลับก็ได้ไม่เป็นไรนแต่ให้ลองคิดอย่างนี้ดูก่อนนะว่าถ้าสมมุติว่าเราตายไปในวันนี้สมมตว่าวันนี้เราตายละตอนนี้เราตายละนะถามว่าอคนที่เขาอยู่ข้างหลังนี่เขาจะทำไงกับของของเราอืแต่เขาพิจารณาดูเขาก็นั่งพิจารณาอยู่นะแล้วเดี๋ยวเดียวก็มีเสียงป๊อกป๊อกป๊อก เป็นเสียงน้ําตาของเขาที่ไหลออกมาโดนเสื้อเป็นเสียงพักออกมาเขาก็กิดได้ว่าโอ้ถ้าเราถ้าฉันตายไปวันนี้นะของของฉันเนี่คุณหนึ่งเขาเขไปอยู่ดีฉันก็ไปทําอะไรไม่ได้ครับโอ้ไม่กลับก็แล้วกันฉันก็เหมือนมาที่นี่เหมือนตายละเพราะว่าโทรศัพท์ก็ไม่ได้ติดต่อนะก็มาเจ็ดวันนั่นเองสั่งเขาสั่งเราเขาสั่งการไห้เขาดีละนะเขาจะทําอะไรก็ทําก็แล้วกันกลับไปเขาไปดูแลปล่อยวางป่อยวางได้นะสบายใจอยู่ต่อไปได้ <N> นี่แหละคือจิตที่เราจะต้องต้องมีต้องฝึกต้องเข้มเอาแค่นี้ <N> แค่ห้าวันเนี่ยยังสามารถทําจิตให้เป็นสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงได้ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําจิตอย่างเงี้ยถ้าเรามีเจ็ดวันเราทําอย่างนี้ตลอดเจ็ดวันถ้าเรามีสิบสองสิบสองเดือนเราทําอย่างนี้ตลอดสิบสองเดือนถ้าเรามียี่สบปีสามสิบปีเราทําจิตอย่างเงี้ยตลอดยี่สิบสาสิบปีเพื่อที่ให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่แม้มีชีวิตอยู่คืนเดียวก็เป็นผู้ที่อ พระ้าใช้คำว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญมีชีวิต อ, อยู่คืนเดียวก็เป็นผู้ที่เจริญแล้วครับเรากเกิดมามไม่เสียใจเกิดละครับตรงนี้คือเรื่องของการดำจิตนะนะเสริมเพิ่มเติมจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พูดไปใช่ครับเพราะว่าก็เชื่อมโยงกันเพราะว่าคำถามในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของสภาวะวิกฤตน้ำท่วมที่ที่โอเคครึ่งค้อนประเทศเจอกันแล้วก็จริงๆผมว่า อย่างที่บอกเจอตอนนี้คนกรุงเทพเองเนี่ยก็มีบางส่วนที่ท่วมไปแต่ว่าจิตใจของคนส่วนใหญ่ที่รับรู้ข่าวสารเนี่ยโอ้โหข่าวสารมันพุ่งมายิ่งกว่าน้ำเลยครับแล้วคนก็เกิดความตื่นตระหนกกันตอนนี้กรุงเทพแทบจะร้างนะครับนคนเดียว <c oughs> ซึ่งซึ่งตอนนี้วัดฝ่าดอนใหญโซก็เปิดเป็นศูนย์อ่าพักพิงสําหรับผูบ้เรไอนผู้ที่จะมาอา่าพักพิงได้สำหรั บ, รบ พ, พูดประสบาธธภาษาอุทกภัย จริงพักพิงทังทางกายทางใจอะแหละลูกศิษย์ลูกหาผู้ใดที่มีปัญหาด้านน้ําท่วมหรือว่าจะมาพักพิงทางใจก็เปิดได้ก็มีหลายๆท่านที่อยู่ทั้งเอไททางปฐุมธานีรหรือว่าบ้านโดนน้าท่วมไปแล้วเนะี่ยอยู่ฝั่งทนบ้างอยู่ทางบางบัวทองบ้างก็ขึ้นมานะประมาณเกือบสิคนอยู่ก็ใส่ช่วงเดือนหนึ่งนี่แหละเป็นช่วงที่ได้มาอยู่วัดทําใจเพิ่งพิงทางใจให้ถูกต้องกันแล้วกันครับ ก็เรียกว่าพิวิกฤตเป็นโอกาสนะครับอืมอใช่เอาวันนี้อ่ก็จะมีประเด็นที่จะพูดถึงเราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมไปแล้วอีกอีกครึ่งหนึ่งของรายการตรงนี้ก็จะพูดถึงประเด็นอื่นๆบ้างคือน้ำท่วมอย่างมันยังอยู่กับเราอีกนานนะหมอและพง์ใช่น้อยก็อีกสักเดือนเดือนครับแล้วก็มาพูดกันอยู่ได้เรื่อยๆทีนี้มันมีเรื่องตรงนี้ เรื่องที่ท่านฝากไว้ตั้งแต่ข่าวที่แล้วนะครับที่แล้วปริยัตที่เป็นงูพิษนะครับใช่ใช่แตมาได้ไปทําการเขาเรียกว่าวิจัยเพิ่มเติมนะค้นคว้าเพิ่มเติมที่พระเจ้าพูดถึงปริยัตปริยัติปริยัตเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงสิกขาบทพวกเนี้ยนะคือมันมีความแตกต่างกันในแง่มุมนี้อยู่คือปริยัติเนี่ยพระเจ้าจะพูดถึงพระสูตรสุตตะเคยยะเวการยากรณคาถาอิติอุติกะชาตกะปุตธรมชาดกอะไรพวกเนี้ยนะ คือพูดง่ายๆก็คือเป็นคําพูดเป็นเรื่องเล่าเป็นชาดกเป็นคําอุทานเป็นกาบเป็นกรอนเป็นคําอะไรต่างๆออกมาเป็นลักษณะของของคำพูดถ้าจะพูดให้ถูกในภาษาปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นจะต้องเป็นความหมายทางด้านอักษรศาสตร์คำว่าปริยัตินี่ใช่คือความหมายเชิงอักษรศาสตร์เชิงอักษรศาสตร์ใช่ใส่วนคําว่าสิกขาบทเนี่ย เราได้เคยพูดไปแล้วว่าคือหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือ ค, คือคุณทำคุณจึงรู้รู้<ค>ด้วยการทำเอานี่นนี่คือสิกขาบทใช่ไมับพพุทธเจ้าบอกว่าให้เธอสมาทานสิกขาบทนะคือทำการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือทำเอาเลยทำแล้วรู้เอานี่คือคือสิกขาบทนะส่วนปริยัตเนี่ยปริยัติเนี่ ย, ยถ้าเธอเรียนนะคือความความสามารถดานอักษรศาสตร์นะอยากให้เป็นงูพิษ ใช่ไหมที่เราเคยพูดที่เราเคยพูดว่าคนจะไปหางูใช่ไหมเขาไปเจองูปุ๊บจับงูเลยจับไม่ดีไปจับตัวมันงูมันก็เอาหัวมาฉกโคเข้าให้โดนรับตายหรือได้รับทุกเจียนตายนนี่คือนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งส่วนชายคนที่สองเขาไปเจองูเขาต้องการงูใช่ไหมเขาเอาไม้ที่มีง่ามดังเท้าแพ้เนี่ยกดงูให้ดีแล้วจับที่คอ ต่อให้งูเนี่ยมันพันมือพันแขนพันตัวแต่เขาก็ไม่ตายใช่ครับอันนี้คือเปรียบเสมือนคนที่รู้ปริยัตคือมีความสามารถทงางด้านอักษรศาสตร์ะจะเป็นการเขียนการพูดหรือว่าการแสดงธรรมแต่ว่าใช้ความสามารถตรงนี้ในการที่จะทิมแทงรัตที่อื่นให้ล่มไปตัวเองไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะที่รู้ครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่า พระสงฆ์ที่มีความรู้ความเรียนสูงๆมีความพูดใหม่มีความสามารถทางด้านอักษรศาสตร์นะแต่ว่าไม่ได้ใช้ความสามารถนี้ในการที่จะรู้ธรรมะแต่ใช้เป็นในการทิ่มแทงผู้อื่นพูดไม่ดีบ้างหรือว่าทับถมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไม่ถูกรหรือว่า ม, มาทิ่มแทงกันว่าเอ้ฉันรู้ตรงนี้เธอไม่รู้ตรงนั้นอันนี้พระรูชาบอกว่าเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษถูกไหม<อ>ทิ่มแทงกันด้วยขอบคือปากังแต่ปริยัติพวกนั้นเป็นพุทธวจนะหมดเลยนะ ครับผมอ่าบางคนเนี่ยเรียนพุทธวจนะอย่างดีจงที่เป็นสูตรเป็นสุดตะเตคยยะเวยากรนะคาถาอีกดีวัติกาชาติกาภูตมะชาตละอะไรต่างๆพวกเนี้ยแต่เอามาทิ่มแทงกันครับเขาพูดจริงๆนะมันคือพุทธวจนะที่เป็นงูผิด อ, อ๋อครัคุณมีความสามารถด้านอักษรศาสต ร, ร, ร์คุณไปดูถูกคนที่เขาไม่มีความสามารถด้านอักษรศาสต ร, ร์อ้ยมันไม่ได้เรื่องอคนที่มไม่มีความสามารถด้านอักษรศาสตร์นะแต่เขาทําเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โอ้โ ห, โหเขายิ่งน่าควรจะถูกยุกยอนเป็นผหูสูตรรุ่หนึ่งบทแล้วปฏิบัติได้อืมครับเป็นผหูสูตรยิ่งกว่าคนที่รู้อักษรศาสตร์อีกครับคุณมีความสามารถด้านอักษรศาสตรใช่ไหมอ่านได้เขียนได้ท่องได้จําได้รู้ตรงนี้อยู่ในสูตรนั้นสูตรนี้เพื่อคนนี้นันอักษรศาสตร์เข้าใจไหมไม่ได้เรียกว่ารู้เป็นผหูสูตรไม่ได้เรียกว่าเป็นสิกขาบทไม่ได้รับคุณสมบัารศึกษาสิกขาบทเลย แต่ถ้าคุณสามารถศึกษาสิกขบถจริงๆนะคุณเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเอามาทําในจิตแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้ด่ากันใช่ไหมฉันไม่ดา่าอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าให้ทรงจําไว้อาจารย์ทรงจำพระพุทธเจ้าให้เป็นคนนอบน้อมฉันนอบน้อมพระพุทธเจ้าให้เป็นคนที่อนิ่งไม่พูดพร่ำฉันไม่พูดพร่ำอือย่างนี้ถึงจะถูกแล้วก็ถ้าคุณจะมีความสามารถด้านอักษรศาสตร์โอ้ยิ่งดีอืมมาเต็มเต็มอ่าใช่ทีนี้บางคนเนี่ยคนเราไปเข้าใจผิด ถึงว่าไอ้ความสามารถด้านอักษรศาสตร์สําคัญกว่ามันไม่ใช่ครไงคุณสอบได้ดีมีเกรดสูงไม่ใช่ว่าคุณจะทํางานได้เสมอไปแต่พุทธเจ้าจึงใช้คําว่าสิกขาบทนะคือการศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วถ้าคุณจะเป็นผู้อุปสูตนะคือรู้หนึ่งบทแล้วปฏิบัติได้เชื่อว่าเป็นผู้สูตรความสามารถด้านอักษรศาสตร์ยกไว้เลยยกไปก่อนเลยคือไม่เกี่ยวเลยยังยังอรมาพระไปบูลเนี่ยอาจจะมีความสามารถด้านอักษรศาสตร์ ใช่ไหมคือเราเขียนได้เราพูดได้พวกนี้เป็นความสามารถด้านอักษรศาสตร์แต่ถ้าตัวอาตมาเองนะใช้ความรู้ตรงนี้นะในการทิมแทงด่าคนอื่นพูดแล้วให้เขากระเทือนใจพูดแล้วก็พูดเสีเสียให้หายแล้วก็ทําให้คนอื่นไม่พอใจอุ้ยเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนแย่เป็นเป็นเขาเรียกว่าปรี้ยดที่เป็นงูพิษแล้วก็เป็นพุทธประะที่เป็นงูพิษเราก็จะมีความเป็นคนเป็นคนชั่วว่างเถอะ อื ม, อมเพรา ะ, ะนั้นถ้าถ้าใครสันกคนหนึ่งไม่เป็นอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้ ค, คุณก็เรียกว่าเป็นผู้สมาทานศึกษาสีขบทละอย่างดีละนใ น, นในกรณีขอถามนิดหนึ่งว่าถ้า<ๆ>เกิดเราไม่ได้ตั้งใจคือเหมือนว่าเราเรียนรู้ทางปริยัตเนี่ยแต่ว่าคืออาจจะต้องการที่จะมีความแตกฉานในในเชิงปริยัติแต่ว่าคืออาจจะไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทับถมคนอื่นอย่างนี้นะครับท่าน เออก็ก็ก็ดีครับผมก็ดีครับแล้วก็ปฏิบัติไงประเด็นส mm ําคัญคือการศึกษาด้วยการปฏิบัติครับผมทีน no> well ี้ศึกษาคือคุณท่องจาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันก็ดีทีนี้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมาขโมดอยู่ที่ว่าศึกษาด้วยการปฏิบัติครับนั่นคือสิกาบทเลยครับอ่แสดงว่าศึกษาการจากการปฏิบัติสําคัญยิ่งยวดกว่าใช่อย่างปฏิบัติอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่อง ยากหรือว่าคุณจะต้องมานั่งหลับตาดูหนังตาอย่างเดียวเท่านั้นน่นไม่ใช่นะคุณปฏิบัติอย่างในงานอย่างเงี้ยคุณเป็นอะไรคุณเป็นเซล์ใช่ไหมคุณเวลาคุณเป็นหมอใช่ไหมคุณเวลาคุณเป็นอาจารย์ใช่ไหม<แ>คุณเอาธรรมะเนี่ยไปใส่ในงานเลย<แ><แ>อย่างเช่นในที่ทํางานพระเจ้าบอกให้เดินตามมานะอย่าด่ากัน<แ>อย่าว่ากันให้มีสมาวิจารเราทําเลยที่ทํางานไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตามาวัดไปหาหลวงพ่อแม่ครูบาจะไม่ใช่นะ ทำที่ทํางานนั่นแหละทําเดี๋ยวนั้นเลยคอ่าออยู่กับบ้านใช่ไหมเจอลูกเจอเมียเจอผัวใช่ไหมอย่าด่ากันนะอย่าว่ากันนะให้คิดเมตตาต่อกันนะคุณกลับมาคุณซื้ออะไรมาฝากหรือเปล่าแวคุณทําหน้าที่ของพ่อแม่ไหมคุณทำหน้าที่ของลูกหรือเปล่าคุณเขียนที่จะไปหาพ่อแม่คุณไหมเลี้ยงดูพ่อแม่ไหมไอ้พวกนี้คือธรรมมาทั้งหมดเลยอืมครับผมเราศึกษาสิสมาทานคําว่าศึกษาเนี่ยธรรมาพูดแล้วมันก็จะทําให้ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะสับสนว่าคือการเรียนการท่องเอา เปิหนังสื อ, อไม่ใช่คือคุณทําด้วยการปฏิบัติ ใ, ให้ปฏิบัติแล้วจึงเรียนรู้อย่างตัวเรามานะถ้าเราไม่มาขอโทษหมอรัตนพงมาขอโทษท่านผู้ฟังว่าเออบางทีเราก็พูดไปอาจจะทําให้คุณถึงกระตื้นใจเราขอโทษเราจะไม่เป็นผู้ที่เราเราจะหยาบเราจะหนาเราจะคิดว่าเราเก่งกว่าคนอื่นมันไม่ใช่เนี่ยเหรอไหมพระเจ้าเก่งที่สุดแล้วไงเราก็ copy ท่านมาพูดอ่ะ เพราะบางทีที่ก๊อปปี้ผู้จชางมาพูดเนี่ยบางทีเราก็ใส่บทเพลงชนะของเราเข้าไปมันผสมกันไปผสมกันมาออกมาโอ้ยมันก็ไม่เนียบโอ้ทําไงดีเราก็ขอโทษแล้วกันทําได้เท่านี้ครับแค่นี้แหละเนาะก็จึงจึงต้องเป็นประเด็นที่ให้ทราบว่าโอ้งั้นก็ทําให้ดีที่สุดนะทําหน้าที่ของตัวเองนะอคุณสมาทานคือให้ปฏิบัติเราจะได้รู้ปฏิบัติแล้วจะรู้ อย่างเงี้ยนะคือทำแล้วจะรู้ทำทุกส่วนทุกแง่ทุกมุมของชีวิตตอนนั้นแหละครับทำมาไม่ได้อยู่ที่วัดอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่นั่งสมาธิอย่างเดียวมันอยู่ทุกที่อยู่ทุกทุกทุกที่ที่เราทําเราปฏิบัติอยู่ครับบนถนนก็มีในครัวก็มีนะในที่ทํางานก็มีแล้วก็ในบ้านก็มีครับอย่างอย่างบนถนนเนี่ยเกิดเราขับรถอย่างเงี้ยก็ต้องใช้สติ ใช่ไหมครับอันก็จะเกิดความเสียหายใช่ครับครับอันอันที่ทําอะไรเนี่ยมันจะมีคําพุทธวจนะว่าจิตอธิฐานการงานใช่ไหมครับท่านอที่บอกว่าเราจะอยู่กับการงานโดยมีธรรมะด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับการงานในที่นี้ก็คือคือเรามีสติใช่ไหมครับทีนี้สติอย่างที่เคยบอกไปเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยว่าถ้าเราอยู่กับลูกมันก็จะพันออกมาเป็นการห้ามเสียจากบาป ให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาวิทยาให้ศึกษาศิลปะวิทยานี่คือนัดติของพ่อแม่ถ้าสติที่เรามีเนี่ยเราไปเจอกับพ่อแม่ใช่ไหมเราก็จะเป็นผู้ที่อุปการะท่านตอบทํากิจการงานของท่านบํารุงบวงสกุลอย่างดีรักษาวงสกุลใช่ไหมเมื่อท่านทําการละไปแล้วเราก็ทําทักษิณาทานอุทิศให้นี่คือมันจะหมุนออกมาจากตัวสติหมุนออกมาจากตัวจิตแต่ถ้าจิตที่มีสติรักษามันจะหมุนออกมาอย่างนั้น ลซึ่งเราก็ต้องศึกษาสิ่งที่เป็นพุทธวจนะด้วยก็จะเป็นพุทธวจนะที่ไม่เป็นงูพิษไม่เป็นประโยคที่เป็นงูพิษครั บ, รบอ่าความสามารถทางหน้าอักษรศาสตร์สิ่งที่เราเรียนมู่มาจะเป็นคาถาสูตรเวยากระนาคำอู่ทานคํากรนคาพูดออกมาลอยๆก็จะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับเราใน<ช>ลักษณะนี้เนาะก็แมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยนะครับอ่าเรื่องที่สองที่จะพูดในวันนี้ครับ เรื่องอะไรนะครับดันเรื่องของสติกับเรื่องของสัญญาความจําครับครับคืออันนี้ผมมีคําถามถามท่านว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยคือเราเจริญสติอยู่ในลมหายใจนะครับคือเจริญอยู่บ่อยๆแต่พออายุมากขึ้นเราเริ่มมีความหลงหลงลืมลืมว่าเอ๊ะคือเหมือนกับว่าขี้ลืมอย่างเงี้นะครับทั้งที่เราก็เจริญสติกับลมหายใจอยู่แต่เรายังขี้ลืมอย่างเงี้เนี่ยไม่ทราบจะ เกี่ยวพันหรือว่าจะเชื่อมโยงกันยังไงครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจคําว่าสติเนี่ยนะคือคือคือความระลึกได้คือสติเนี่ยคือความระลึกได้แล้วสัญญาเนี่ยคือความจําจํำได้หมายรู้อ่าใช่ซึ่งจริงๆเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องคําถามนี้เป็นคํำถามที่ดีมากคือความแตกต่างระหว่างสติกับสัญญาอย่างกรณีของหมอรัฐพงษ์เนี่ยเรามีสติอยู่ในลมหายใจอยู่เรื่อยๆ <sincere. S 1> เอ๊ะทำไมพอเราอายุมากขึ้นเราหลงหลงืมลืมลืมชื่อคนนั้นลืมตรงนี้ลืมกุญแจเอาวไว้ลืมว่าเอ๊ะเราล็อกบ้านหรื อ, อยังแต่ตอนออกมาเราก็มีสตินิงลงมหายใจนะแล้วมันลืมหรือมันไม่ลืมกันแน่อย่างนี้นนะซึ่งสติพระเจ้าบอกคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้แม่นานได้เออทํำไมเราลืมกุญแจแต่รู้ลมหายใจอย่างนี้นะสตินี่มันน่าจะเป็นความจำเออแล้วลมันไปขัดกับสัญญาสิถ้างั้นอันนี้คือเป็นประเด็นที่เราจะต้องการพูดในครั้งที่สองวันนี้ <c oughs> ใ, นในประเด็นที่สองในวันนี้นะอันนี้อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าเอาเรามาดูการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน <c oughs> เขาบอกว่าคนจะมีความจําเขาใช้คาว่า memory นะความ <c oughs> จํำมันจะมีอยู่3ส่วนคือส่วนแรกเนี่ยคือส่วนที่เก็บเข้าไปก็ <c oughs> เรียกว่า registration คือส่วนที่ <c oughs> เก็บเข้าไปตอนที่เก็บข้อมูลเข้าไปนะ <c oughs> ส่วนที่2นี่คือส่วนที่ storage ส่วนที่ฝังอยู่ในในสมอง แล้วส่วนที่สามคือส่วนที่ recall มาคือดึงออกมาถามว่าคนที่จะมีความจําดีเนี่ยสามส่วนนี้ต้องดีหมดอืความจําคือ m เมมโมรี่นะอันนี้คือนักวิจัยสมัยปัจจุบันเขาวิเคราะห์กันอย่างนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์ถูกต้องถูกต้องเรามาดูความหมายบริเจชาครับความหมายบริเจ้าคือคําว่าสัญญาเนี่ยแปลว่าความหมายรู้นหมายรู้นี่ไม่ใช่ความจํานะครับความจำเนี่ยคือสติต่างหากสติเนี่ยคือ ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้เพราะฉะนั้นตรงนี้สติเนี่ยคือการดึงออกส่วนที่3ของในงานวิจัยสมัยใหม่การ recall ดึงออกส่วนส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยคือสัญญาอย่างสมมติว่าอาตมาไม่มีสัญญาในภาษาตุรกีหรือภาษาสเปนรเราไม่รู้ภาษาสเปนเลยเพราะเราไม่เคยเก็บข้อมูลภาษาสเปนลงไปเราไม่เคยจำเขาเรียกว่า store อยู่ในหัวสมองเนี่ยข้อมูลของภาษาสเปนยอยู่ครับแต่เรามีสัญญาของภาษาญี่ปุ่นสัญญาของภาษาจีนนะรรู้คำว่าหนีหาไปว่าอะไรเพราะเรามีความเก็บอยู่แต่ไอตอนที่จะดึงออกมาใช้เนี่ยคือสติตอนที่เก็บเข้าไปและก็ตอนที่ให้มันอยู่ข้างในสมองเนี่ยอยู่ในจิตเนี่ยคือสัญญาตอนที่ดึงออกมาเนี่ยคือสติ<อ>เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติเราไป เรียนภาษาสเปนเราบอกอัปปากาภาษาสเปนนะเขาเรียกว่านี้เราเรียนสัญญาใหม่ทําไมผู้เชี่ให้เรียนอสุภัสสัญญาให้เรียนอนิจจสัญญาให้เรียนสัญญาสีประการพวกนี้เป็นสัญญาหมดเลยคุณต้องมารู้ว่าอันนี้เรียกกระดูกนะอันนี้เขาเรียกหนังนะอันนี้เขาเรียกเนื้อนะพวกนี้เป็นสัญญาทั้งหมดเด็กคลอดออกมาจากคันแม่พลุออกมาอย่างเงี้ยคุณยังไม่รู้เลยว่านี้เรียกหนังหรือเรียกเนื้อต่อมาค่อยๆเรียนอ้ออันนี้เรียกผม เขาจะต้องมีสัญญาตรงนี้เก็บเข้าไปในสมองเก็บเข้าไปในสมองแล้วไอ้จิตที맡맡 <SI いい่เขาจะระลึกได้ระลึกได้อ๋ออันนี้เรียผมนะอันนี้คือสติอย่างทำไมพระเจ้าจึงใช้คําว่าอาณาปานสติเพราะว่ามาระลึกถึงลมหายใจนึกถึงลมหายใจนึกถึงลมหายใจนึกอยู่เรื่อยๆนะนึกถึงลมหายใจนั่นน่ะคืออาณาปานสตินึกถึงละอย่างตอนนี้คุณจะนึกถึงลมหายใจได้ไหมได้ก็ลมหายใจของเราเองใช่ไหมนึกถึงตรงไหนอ่ะ ก็ตรงที่สัมผัสของลมมันกระทบด้านในโพรงจมูกรับรู้ได้ที่ตรงไหนก็นึกถึงมันตรงนั้นอ่ะคือนึกได้นึกออกอย่างเรานึกชื่อคนเรานึกถึงบ้านพวกนี้คือระลึกทั้งนั้นเลยนึกถึงชื่อคนนี้นึกถึงหน้าคนนั้นนึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องนี้คือสติทั้งหมดเลยนะแต่เป็นสติในเรื่องนั้นสติในหน้าคนนั้นสติในชื่อนี้ไม่ใช่สติในลมหายใจถ้าคุณจะนึกถึงลมหายใจคุณก็มีสติในลมหายใจ เ อ, อเพราะ<ช>ฉะนั้น ค, ความสามารถการนึกตรงเนี้ยสมมติว่าถ้าเรานึกถึงลมหายใจได้มันไม่ได้หมายว่าคุณจะต้องนึกถึงชื่อคนได้แต่คุณ ม, มีสตินะมีสติในลมหายใจแต่ไม่มีสติในชื่อคนอมันนึกไม่ออกนี่มันเป็นคนละเรื่อง ค, คนละเรื่องกันมันเป็นคนละเรื่องกันคนละระนาบกาันคนละเพลนกันคนละเลเวลกันเลยเพราะไอ้ที่เรานึกไม่ออกมันอาจจะที่เราเก็บไม่ดี S <S <S อย่างเช่นเราเห็นชื่อชื่อคนอย่างเงี้ยคนที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยคุ้นหน้ารู้จักครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันมากตอนเก็บข้อมูลมันเก็บไม่ดีถ้าทําคุณจะไปนึกชื่อเขาออกได้ยังไงคุณจะไปมีสติในชื่อเขาได้ยังไงก็ตอนเก็บมันเก็บไม่ดีใช่ครับอ่านี่คือกรณีหนึ่งใช่ไหมหรือเวลาตอนที่เราวางกุญแจลงอย่างเงี้ยเราไม่ได้ระลึกคือไม่ได้มีสติตรงนั้นไม่ได้มีเขาเรียกว่าตั้งใจที่ว่าเราจะวางไว้ตรงนี้นะ มันเก็บไม่ดีในสมองเราดังนั้เมื่อมันเก็บไม่ดีในสมองเรามันจะ recall ออกมาดึงออกมามันก็ดึงไม่ออกเพราะมันไม่มีใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณบางคุณแจไปตรงนี้โดยที่เผลอลไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะเก็บข้อมูลนี้นะคุณก็ดึงไม่ออกเพราะมันไม่มีให้ดึงแต่เมื่อไหร่ที่เราตั้งใจว่าเออถฉันวางไว้ตรงนี้ประจําแล้วเราจะดึงออกมาได้เพราะมีสติดึงออกมาได้เรานึกถึงได้นี่ เพราะฉั้นในเรื่องนี้อย่างคนที่เป็นพาลกินสารคนที่เป็นประสาทฟั่นเฟือนอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีสติในลมหายใจแต่เขาไม่มีสติในเรื่องอื่นๆในเรื่อง Memory in the past ในเรื่องความจําที่เป็นอดีตออดีตแต่เขามีสติในลมหายใจทําไมจะไม่ได้อย่างนี้นะเท่ากับว่าคนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่เจริญสติแบบดูลมหายใจได้ใช่ไหมครับได้ได้ครับถ้าเขารู้สักสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ต้องพูดถึงเรื่องชื่อของเราก็ได้ไม่ต้องรู้ถึงรเรื่องในอดีตผ่านไปแล้วสิปียี่สิบปีก็ได้เอาคุณรู้ไหมวันนี้เรียกปากกาคุณมีสติในปากกาก็ได้เอายางเงครับะเอาคุณรู้ไหมว่านี้คือตัวคุณอยู่เอาอนี้คุณมีสติในหนังคุณก็ได้อันนี้ก็เป็นกายคตาสติได้อืมใช่ครับเพราะฉสติกับสัญญาไม่เหมือนกันอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากๆถ้าจะมาไม่ถูกถามเรื่องนี้อาจารยมาก็จะจะไม่ได้นึกออกมานะไม่นึกถึงครับเพราะฉะนั้น อความคิดของเราเนี่ยสัญญาในเรื่องนี้เราไม่มีเป็นบทเพียนชนะออกมาแต่เราสามารถระลึกได้มีสติออกมาได้ไงเพราะมันเป็นคนระดับกันไม่รู้เข้าใจเปล่าก็พอพอพอพอจะเข้าใจถูกไหมพอจะเข้าใจว่าสติมันมีอยู่มันก็สติอันเดียวกันนั่นแหละสติที่ใช้ดึงชื่อคนออกมาสติที่ใช้ดึงลมหายใจออกมาสติที่ใช้นึกถึงกายสติที่ใช้นึกถึงกระดูกคือสติอันเดียวกัน ครับแต่ที่บางทีมันดึงออกมาไม่ได้มันติดขัดเพราะว่าตอนเก็บมันอาจจะไม่ดีเก็บไม่ดีครับไม่ได้ตั้งใจเก็บใช่ครับเพราะมั น, มนก็จะคนละเรื่องกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเราตั้งสติอยู่ตลอดเนี่ยนะสมมติเรามีสติอยู่ตลอดเรามีสติอยู่ตลอดใช่ัหมจีเราเป็นสมาธิตลอดเลยนะรเราจะพูดอะไรออกไปจะทําสิ่งอะไรออกไปเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเฉยเขาว่าสามารถระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม้นานได้อืม เพราะว่าจัดเก็บอย่างดีใช่ตรงนี้นี่แหละมันจะไปเชื่อมกับว่าทําไมพระเจ้าถึงบอกว่าคนที่เป็นโซดาบันจะไม่ลืมไม่ลืมเหตุการณ์นั้นอสามที่สถ า, านที่สามสถานที่ที่จะไม่ลืมคือหนึ่งที่ตัวเองบวชที่ตัวเองบรรลุเป็นโสดาบันที่ที่ตัวเองร บ, บรรลุเป็นพระอรหันต์จะไม่ลืมครับเพราะตรงนั้นมันมีสติเต็มที่เลยใช่ครับอ่าใช่ครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะระลึกได้อืซึ่งบางคนก็จะไปสม จะไปเข้าใจว่าโอ้โซดาบอลต้องระเบิดตุม้มเป็นเหตุการณ์ที่ฉันว่าโอ้ไม่มีทางลืมมันมั น, ม, นมันไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อจะเรียบๆก็ได้เมื่อ จ, จะแค่ปึ๊กก็ได้ไม่จำเป็นต้องระเบิดตูม้มอาจจะเกิดความอิ่มเอมปิติใจอะไรทำอนองนั้นที่ทำให้เราจําได้ที่ทําให้เราระลึกได้ครับเพราะฉะนั้นเข้าใจไว้ให้ดีนะตั้งแต่วันนี้เลยหนึ่งความจำนะที่ที่เราเข้าใจว่าสัญ ญ, ญาคือความจําแค่ถูกแค่นิดเดียว ถูกแค่สในสาส่วน2ในสครับซิความจําที่เราพูดกันคําปัจจุบัน memory memory เนี่ยนะมันแยกเป็น3ส่วน2ส่วนแรกอยู่ในสัญญาอีกส่วนหนึ่งอยู่ในสติครับผมพูดกันอย่างนี้ถามว่าทําไมอาจารยมาถึงพูดอย่างนี้อธิบายอย่างนี้เพราะว่าเราดูปัญญัติที่พระเจ้าให้ไว้นะถ้าเราบอกว่าสติเนี่ยไม่ใช่ memory ที่เราหมายถึงในปัจจุบันคุณก็พูดไม่ถูกนะแต่ถ้าสัญญาบอกไม่ใช่ memory ที่หมายถึงในปัจจุบันก็พูดไม่ถูกมันแยกกันอยู่นะความหมายรู้ แล้วก็ความระลึกได้แยกกันสองอันรวมกันจึงเรียกว่าเมม o r y ความจำเมม o r y ครับคือหมายว่าสัญญารวมกับสติรวมกันจึงเรียกว่าเมม o r y อ๋อครับผมเข้าใจเลยครับท่านมีคำถามต่อเนื่องอีกนิดนึงสมมติว่าเราเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติมาเป็นเวลานานอย่างเช่นว่า10ปีแล้วพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราสมมติว่าเซลล์สมองเราเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์นี้ โอกาสที่เราจะปฏิบัติต่อเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสถูกไหมครับถูกเพลงเลยถูกเพลงเลยครับครับเพราะว่าสติตรงนี้มันคือความระลึกได้ต่อให้ต่อให้สมองครึ่งหนึ่งหายไปถูกปาทิ้งเกิดอุบัติเหตุต้องตัดเนื้อสมองออกนะคุณก็ยังระลึกถึงไลมหายใจได้อยู่ดีเพราะมันคือกล้ามเนื้อเดียวกันระลึกถึงเหมือนกันคือคือคือความสามารถเดียวกันตรงนี้ สมมุติว่าเราต้องการไปสามารถเราต้องการไป access เอกข้อมูลในส่วนสมองซี่ที่ถูกตัดออกไปใช่มันไม่มีแล้วอะ่ะใช่ไหมมันก็โบโบโบคือ<บ>คือแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกันคือควา ม, มสามารถตรงเนี้ยคือสติตรงเนี้ยที่จะรีคอร์ออกมาเนี่ยเป็นอันเดียวกันคุณก็ปรีคอร์อันอื่งก็ได้นี่แหละที่เราจะพาเราไปวิมุตได้อืใช่ครับรีคอร์ตรงนี้แหละสติตรงนี้แหละครับโอต้องบอกว่าธรรมะนี่มีคุณประโยชน์มหาศาเลยนะเรียกว่าอื มากมายครับวันนี้วันนี้ดีมากๆเลยนะครับ <c oughs> ยังรู้สึกว่าโอ้พอเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเราในฐานะที่เป็นเป็นทันตแพทย์เนี่ยเราเราก็เรื่องพวกนี้เราก็พอรู้ก็เออแบบว่าเชื่อมโยงกันได้แบบสนิทเลยจะทําให้ธรรมะของพุทาไม่ขัดกันใช่ครับแล้วถ้าเรามาดูไอ้คานิยามบัญญัติที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างละเอียดบทพยัญชนะเะเป๊ะๆเลยนะโอ้สัญญามันไม่ใช่ความจํานี่วะ สติเนี่ยคือความจำนแต่สองอย่างนี้รวมกันแมายคือคาพูดมันพูดพูดแล้วมันก้ากึ่งอะนะก็อย่าที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นั่นแหละเราแบ่งคำว่าความจำออกเป็นสามส่วนสองส่วนแรกเป็นสัญญาส่วนสุดท้ายเป็นสติสติกับสัญญารวมกันจึงเรียกว่าเป็นความจำในปัจจุบันแล้วก็จะไม่ขัดกันแล้วก็การปฏิบัติจะสอดคล้องกัน ไม่ขัดกับนิยามด้วยไม่ขัดกับการปฏิบัติของเราด้วยไม่ขัดกับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันด้วยครับอไปกันได้หมดอย่างครับเราละอิ่เอมครับแล้วในตอนนี้ตอนที่สี่สิบสี่สิบอะไรสี่สิบสามสี่สิบสาก็เป็นเราได้พูดถึงเรื่องของสติแล้วก็สัญญาความจําำเราพูดถึงเรื่องปริยัติที่เป็นงูพิษเป็นปริยัตที่เป็นอักษรศาสตร์ พุทธวจนที่เป็นงูพิษสิกขาบทพระหูสูตรพวกนี้ครนะเราก็ได้เทียบถึงความรู้สึกที่เราจะตื่นตัวตั้งแต่ตอนที่เราอยู่อยุทยาจนมาถึงกรุงเทพแล้วถึงไฟฟ้าช็อตนะโอเคนี่คือตอนที่สี่บสามพบกันใหม่ในตอนที่สี่บสี่คุณมรัตพงครับเาจะพูดเรื่องอะไรล่ะครับก็เดี๋ยวจะไปเรื่องหนึ่งแหละเนาะครับไปมาตามตามฟังในตอนที่สี่สิบสี่ครับถ้าท่านผู้ฟังอืต้องการจะฟังหัวข้อไหน ส่งมาได้นะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าถ้าท่านระวังแบบมีความสงสัยข้องใจอะไรส่งมาบอกต้องการทราบเรื่องนี้เรื่องนี้บอกได้นะครับออ น, อนอกจากคําถามนะครับโอเคครับครับงั้นก็พบกัน<อ>ในสัปดาหนะ์หน้าครับรครับถูอเจริญฝันครับนอสการ์ขอบพระคุณท่านครับครับ